ใจของพวกเราเป็นเหมือนสนามกีฬาแลือเวทีชกมวยบนเวทีชกมวยจะมีคู่ต่อสู้กันฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงในใจเราก็มีสองฝ่ายต่อสู้กันคือธรรมะกับกิเลส คอยต่อสู้กันในใจเราอยู่เรื่อยๆถ้าธรรมะมีกำลังมากกว่าธรรมะชนะใจก็สงบเย็นสบายถ้ากิเลสชนะใจก็ร้อนใจก็ทุกข์ใจก็วุ่นวายนี่แหละเวลาที่เราทุกข์เวลาที่เราวุ่นวายใจนี่ มันบอกเราให้รู้ว่าตอนนี้กิเลสมันกำลังมาแรงกำลังของกิเลสกำลังแรงเวลาไหนที่ใจเราเย็ยนใจสงบใจสบายเวลานั้นธรรมะมาแรงกว่าธรรมะกับกิเลสนี่เป็นคู่ต่อสู้กันมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าเราจะมาเกิด ยุคไหนสมัยใดเราจะมีกิเลสกับธรรมะนี่คอยต่อสู้กันอยู่เรื่อยๆสงครามนี้จะไม่จบถ้าธรรมะไม่เป็นผู้ชนะถ้าธรรมะเป็นผู้ชนะสงครามก็จะจบการต่อสู้ก็จะจบถ้าธรรมะยังสู้กิเลสไม่ได้ ก็ยังจะต้องมีการต่อสู้ไปเรื่อยๆดังนั้นเราไม่มีทางเลือกทางเลือกของพวกเราคือเราต้องเอาธรรมะให้เอามาชนะกิเลสได้ได้อืถ้าเราต้องการให้ใจเราสงบสุขตลอดเวลาถ้าเรายังไม่สามารถเอาชนะถ้าธรรมะยังไม่สามารถ เอาชนะกิเลสได้อย่างราบคาบถ้ากิเลสยังสามารถออกมาก่อกวนสามารถมาสร้างความวุ่นวายใจได้แต่นั้นสงครามก็ยังไม่ยุติเพราะยังไม่สงบสงครามจะสงบก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ยอมยกธงขาว แต่ฝ่ายกิเลสนี่ถ้ามันชนะมันจะไม่ให้ความสงบกิเลสจะมีแต่ให้ความวุ่นวายเป็นเหมือนพวกโจรผู้ร้ายโจรผู้ร้ายถ้าปล่อยให้มีอำนาจโจรผู้ร้ายก็จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แกสังคม ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความสามารถมีกําลังมากกว่าสามารถปราบจรผู้ร้ายให้หมดไปได้อย่างราบคาบสังคมก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใจของพวกเราถ้ายังมีความวุ่นวายใจมีความทุกข์ต่างๆอยู่แสดงว่า กิเลยังไม่ได้รับการกำจัดอย่างราบคาบยังมีกิเลสมาคอยก่อกวนสร้างความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆถ้าต้องการให้กิเลสนี้หายหมดไปจากใจก็ต้องสร้างธรรมขึ้นมาเหมือนสังคมถ้าต้องการให้บ้านเมืองสงบ ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พอก็ต้องจ้างเพิ่มผลิตเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีมากขึ้นให้มีจนสามารถกำจัดโจรผู้ร้ายต่างๆให้หมดสิ้นไปจากสังคมได้ถ้าโจรผู้ร้ายถูกกำจัดอย่างราบคาบแล้วสังคมก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ใจของพวกเราก็จะอยู่อย่างร่มเปลี่ยนเป็นสุขถ้าเรามีธรรมมากำจัดกิเลสต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจถ้าใจเรายังไม่สงบอย่างถาวรแสดงว่าทมยังมีกำลังไม่มากพอเราก็ต้องมาสร้างธรรมต่างๆขึ้นมา ธรรมก็มีหลายระดับด้วยกันออระดับทานระดับศีลระดับภาวนา เ, ออเราก็ต้องใช้ทานเหล่านี้เป็นธรรมะสร้างธรรมะคือธรรมทานศีลธรรมออภาวนาธรรมทออานศีลภาวนาออจะ สามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปอย่างราบคาบได้สามารถทำใจให้อยู่ในความสงบได้อย่างถาวรเราจึงจำเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติทำกันมาสร้างธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจถ้าเรายังมีความวุ่นวายใจอยู่แสดงว่าธรรมยังมี กำลังไม่มากพอเราต้องพยายามสร้างทำต่างๆให้ขึ้นมาให้มีขึ้นมาในใจของเราเพื่อกำลัดกำจัดกิเลสต่างๆที่มาคอยรบกวนใจเหว่เรื่อยๆทำขั้นที่หนึ่งก็คือการทำทานการทำทานนี้มาคอยกำจัดกิเลส ที่ชอบเอาเงินไปทำอะไรต่างๆตามความอยากมีเงินก็อยากเที่ยวอยากเล่นอยากกินอยากดื่มอันนี้ต้องเอาทานมาเป็นตัวสู้กับมันกิเลสจะเอาเงินไปเที่ยวธรรมะบอกให้เอาเงินไปทำบุญ ต้องเลือกเอาว่าจะเอาทางธรรมหรือเอาทางกิเลสเช่นอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยเงินก็ต้องหลายหมื่นไปเที่ยวครั้งหนึ่งเอาเงินหลายหมื่นนี้ที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนี่มาทำบุญทำทานได้หรือไม่ตอนนี้กำลังมีวัดมีภัยธรรมชาติอยู่ทางปากใต้กำลังต้องการความช่วยเหลือ ใครจะสละเงินที่จะไปเที่ยวนี้เอามาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าทำได้ก็แสดงว่าทำชนะกิเลสในระดับเงินทองเงินทองนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป้าของการแข่งขัน ใครจะเอาเงินไปใช้กันถ้าเอากิเลสกิเลสเอาเงินทองไปใช้กิเลสก็จะสร้างความวุ่นวายใจต่อไปถ้าทมเอาเงินนี้ไปใช้เอาไปทำบุญทำทานเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนใจก็จะสงบในระดับเงินทอง จะไม่ต้องมีปัญหากับเรื่องเงินทองมากมายแต่ถ้ากิเลสชนะกิเลสเอาเงินไปเที่ยวแทนที่จะเอาไปทําบุญเอาเงินไปเที่ยวผลมันจะต่างกันหลังจากที่เที่ยวเสร็จแล้วหลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วผลจะต่างกันถ้าเอาเงินไปเที่ยวใจจะไม่สงบ ใจจะอยากเที่ยวขึ้นมาอีกเี่ใจต้องไปดิ้นหาเงินมาเที่ยวอีกถ้าเอาเงินไปทําบุญใจจะสงบใจจะไม่คิดอยากจะเที่ยวไม่ต้องไปดิ้นหาเงินมาเที่ยวอันนี้ผลต่างกันตรงนี้ถ้าเอาเงินมาทําบุญทําทานแทนที่จะเอาเงินไปทํา ที่ในสิ่งที่กิเลสอยากทำทำก็จะสามารถเอาชนะกิเลสในระดับเรื่องของเงินทองได้แล้วต่อไปก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่พอใช้เพราะจะมีเงินทองเหลือใช้เพราะว่าจะใช้แต่ในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้น สิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็ใช้ด้วยเหตุด้วยผลคือใช้ตามความจำเป็นไม่ได้ใช้ไปกับกิเลสความอยากได้ของสวยๆงามๆของหรูหราของแพงๆเพราะว่า ของแพงหรือไม่แพงถ้ามันใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันก็ไม่ควรที่จะต้องไปเสียเงินซื้อของแพงๆมาเช่นเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าตัวหนึ่งนี่มีหลายราคาเสื้อยืดตัวละร้อยถึงตัวละพันนะต่างกันตรงที่อาจจะมีลวดลายมีปักชื่ออะไรเข้าไปทั้งหน่อยปักตัวจอละเข้เข้าไปทั้งหน่อย เสื้อตัวนั้นก็กลายเป็นราคาแพงขึ้นมาหรือเอาไปขายในร้านที่เขาขายของแพงมันก็กลายเป็นของแพงขึ้นมาถ้ า, าไปขายจะตุจักก็ไปขายตามตลาดนั้นมันก็กลายเป็นของถูกขึ้นมามันก็เป็นเสื้อเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่มีธรรมะจะรู้จักเลือกธรรมะนี่คือปัญญา คือเหตุผลปัญญาในระดับการใช้เงินใช้ทองปัญญานี้มีอยู่ทุกระดับระดับทานระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาต้องใช้ปัญญาถึงจะเอาธรรมะชนะกิเลสได้เรื่องการใช้เงินใช้ทองใช้ใช้ตามเหตุตามผลนะ เงินทองจะเหลือใช้เพราะเงินทองที่หามาได้ส่วนใหญ่นี้มันหมดไปกับกิเลสมากกว่าหมดไปกับปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี้เป็นส่วนส่วนน้อยในรายจ่ายส่วนใหญ่ของรายจ่ายนี้จะหมดไปกับความอยากต่างๆความอยากความโลภต่างๆอยากซื้อของแพงๆ อยากซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อซื้อมาก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายดีขึ้นแต่อย่างใดแต่ถ้าได้มาก็เกิดความดีใจประเดียวประเดา้าเช่นเครื่องประดับต่างๆเห็นเครื่องประดับแล้วก็อยากจะเอามาใช้สวมใส่ให้กับร่างกายเสริมสวยความ สวยความงามของร่างกายแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของร่างกายไม่ได้ทำให้ร่างกายวิเศษขึ้นมาแต่อย่างใดมีอยากจะทำให้เงินทองหมดไปเปล่าๆ เ, เพราะของซื้อที่ซื้อมาแล้วนี้ราคามันจะตกทันทีเวลาจะขายกลับไปนี้จะขายไม่ได้เหมือนกับเวลาที่ซื้อมา ซื้อมาร้อยเวลาขายไปอาจจะขายได้เพียงแค่ห้าสิบนะหรือน้อยกว่าห้าสิบไม่เชื่อลองเอาของไปเข้าจำนำดูลองของไปเข้าลงจำนำดูของบางอย่างก็ไม่รับจำนำเลยอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาต้องรู้จักใช้เงินใช้ทองทั้งทั้งที่เป็นของจำเป็นก็ยังต้องใช้ ธรรมะถ้าไม่ฉช่นั้นกิเลสมันก็จะมาแย่งเอาไปากิเลสมันอยากจะซื้อของแพงๆของหรูหร า, าบ้านเช่นบ้านเนี่ยถ้าให้กิเลสมามันก็จะดูเงินทัในกระเป๋าทันทีว่ามีกำลังซื้อเท่าไหร่ถ้ามีกำลังซื้อเท่าไหร่มันก็จะซื้อบ้านในระดับนั้นนั้นหรือมากกว่านั้นพอสมัยนี้กำลังซื้อไม่ต้องซื้อทีเดียว จ่ายทั้งหมดจ่ายแค่ร้อยละสิบเงินดาวก็ซื้อได้แล้วอยากจะซื้อคอนโดสิบล้านดาวสักล้านหนึ่งก็เป็นเจ้าของเข้าไปอยู่ได้แล้ ว, ลวก็ผ่อนได้คำว่าผ่อนก็เป็นหนี้แล้วต้องหาเงินมาจ่ายแต่ถ้าคนฉลาดว่าผูมีอยู่แค่ล้านเดียวไปซื้อสิบล้านทำไมเป็นหนี้ต้องก้าวล้าน ก็ซื้อคอนโดล้านเดียวจะได้ไม่ต้องเป็นนี่ไม่ดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีของธรรมะเองเหมือนกันคือถึงแม้ว่าจะใช้กับของที่จำเป็นก็ต้องรู้จักใช้รู้จักกำลังรู้จักฐานะหรือถ้าเป็นคนฉลาดคิดว่าอยู่บ้านห้าแสนก็อยู่ได้อยู่คอนโดห้าแสนก็ดูอยู่ได้ ไม่ต้องจ่ายทั้งร้านหนึ่งเก็บไว้ค่าแสนไว้สำหรับใช้อย่างอื่นที่จำเป็นดีกว่าก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินทองเท่าไหร่ใจจะไม่ต้องวุ่นวายคอยหาเงินหาทองอมาใช้หนี้เพราะไปสร้างหนี้ด้วยการซื้อของผ่อนสง่งซื้อการผ่อนส่งนี่เสียสองเด้ง เสียค่าของแล้วยังเสียค่าดอกอีกเหมือนซื้อบ้านสองหลังถ้าซื้อเงินผ่อนนี่เหมือนซื้อบ้านสองหลังถ้าซื้อเงินสดนี่ซื้อหลังเดียวถ้าซื้อเงินผ่อนนี่จ่ายสองหลังแต่ก็ได้หลังเดียวแต่ถ้าซื้อเงินสดนี่ก็จ่ายหลังเดียวซื้อหลังเดียวได้หลังเดียว แล้วถ้าฉลาดถ้าเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องแพงขนานดะนี้ก็ลดเอาสักครึ่งก็ได้อยากล้านก็ลดลงมาห้าแส0ก็ได้ <c oughs> หรือถ้าคนฉลาดก็นั้นก็คิดว่าเช่าเอาดีกว่า <c oughs> เดือนไม่กี่ตังค์เดือนละเจ็ดแปดพันห้าหกพันเดีอว น, นี้ก็มีคอนโดอยู่ได้แลนะ้ว <c oughs> เรื่องอะไรต้องเอาเงินเป็นล้านไป <c oughs> ไปจ่าย อันนี้ต้องรู้จักคิดแต่บางคนก็อาจจะไม่ต้องคอนโดก็ได้ห้องแถวก็ได้ขอให้มีที่ปลอดภัยหลับนอนได้มีน้ำมีไฟมีห้องน้าก็พอแล้วก็อาจจะไปเช่าห้องแถวอยู่ก็ได้เดือนละพันสองพันก็มีสองสามพันก็มีอนนี่คือวิธีที่เราจะ เอาธรรมะมาชนะกิเลสคือความประหยัดมัธยัสนี่แหละคือธรรมะใครมีความประหยัดมัธยัสนี่จะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่พอใช้คนที่สืรุ่ยสุร่ายใช้เงินแบบสืรุ่ยสุร่ายเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่พอใช้จะทําให้ต้องวุ่นวาย ก, กับการหาเงินหาทอง ต้องเครียดกับการหาเงินหาทองเพราะสมัยนี้การหาเงินหาทองการแข่งขันนี่มันสูงใครทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพเดี๋ยวก็ถูกปลดออกได้เราต้องเอาคนที่มีประสิทธิภาพมีความสามารถทำงานก็เครียดกลัวจะถูกปลดออกจากงานก็มีเพราะไม่สามารถทำตามเป้า ที่เขากําหนดให้ทำได้แต่าใช้เงินแบบซื้อลุยสืย้อไลยใช้เงินแบบเกินตัวใช้เงินแบบไม่มีเหตุมีผลใช้เงินตามกิเลสเนี่ยการใช้เงินแบบนี้ถือว่าเป็นกิเลสทั้งนั้นเพราะมันจะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับผู้ใช้เงินทองเหล่านี้ แถ้าใช้เงินแบบประหยัดมัธยัติได้ใจสบายอจะไม่มีหนี้สองจะมีเงินเหลือใช้อจะมีเงินเหลือเอาไปทําบุญได้ถ้าต้องการจะทําบุญถ้าไม่ต้องการจะทําบุญก็มีเงินเก็บเอาไว้สํารองอาจจะเอาไปลงทุนเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้เป็นการเอ ต่อเงินเอาเงินต่อเงินถ้ามีเงินเหลื อ, เ, อเก็บไว้ฝากธนาคารดอกอาจจะน้อยอลองหาวิธีต่อให้มันได้เงินมากกว่าเงินที่ได้จากดอกเบี้ยก็มีหลายหลักวิธีลงทุนค้าขายหรือทำอะไร อ, อย่างใดอย่างหนึง่ง มันก็จะทำให้มีเงินเพิ่มเข้ามามีรายได้เพิ่มเข้ามาโดยที่ไม่มีรายจ่ายเพิ่มมีแต่รายได้เพิ่มพอมีเงินทองสำรองไว่มากมายเหลือเฟือความอบอุ่นใจความสบายใจก็จะเกิดขึ้นมารู้ว่าอนาคตของเรานี้มั่นคงเพราะเรากระจายการเสี่ยงของเงินที่เรามีอยู่ ไม่เก็บไว้ในที่เดียวอาจะาแบ่งไปลงทุนแบ่งไปซื้อธนบัตรแบ่งไปทำอะไรต่างๆแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวที่พอใช้ไปก็หมดไม่มีรายได้กลับเข้ามากลับมีหนี้เพราะบางทีซใช้เงินเกินตัวซื้อของซื้อเงินผ่อน พออยากจะได้ของดีๆแพงๆ แ, แต่ไม่มีกำลังซื้อเงินสดแต่มีกำลังซื้อเงินผ่อนพอซื้อแล้วก็ต้องไปหาเงินมาจ่ายนี้ก็จะทำให้เครียดกับการหาเงินถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องถูกเขามายึดของที่ซื้อกลับเกินไปดังนั้นถ้าใช้ธรรมะแล้ว ถ้าธรรมะชนะกิเลสเรื่องเงินทองนี้จะไม่มีปัญหาใช้กันแบบประหยัดมัธยัติใช้แบบตามความจำเป็นอย่างในหลวงรัชกาลที่9ก้าท่านเคยสอนอยู่เรื่อยๆว่าให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงพอพอต่อความต้องการของชีวิตชีวิตต้องการอะไรบ้างท่านสรงยกตัวอย่าง ถ้าเป็นชาวนาชาวไร่ก็ให้มีที่ดินส่วนหนึ่งไว้สำหรับปลูกข้าวที่ดินส่วนหนึ่งไว้สำหรับเลี้ยงปลาก็สามารถอยู่กับายนาได้ไม่ต้องพึ่งพาสายเศรษฐกิจอย่างอื่นคือมีเศรษฐกิจพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ ปลูกข้าวเอาข้าวที่เหลือไปแยะแรกเป็นอย่างอื่นได้แรกเป็นสินค้าอย่างอื่นมาใช้ได้เลี้ยงปลาเอาปลาไปขายถ้าขายไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่อดตายมีข้าวกินมีปลากินมีที่อยู่อาศัยมีบ้านบ้านก็เป็นกระตอบก็ได้ทำด้วยไม้ไผ่ก็ได้มุงด้วยหลังคาจากก็ได้ั มุงด้วยหญ้าก็ได้มันก็เป็นบ้านเหมือนกันมันก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันแต่ถ้าอยู่แบบนั้นได้จะสบายใจไม่ต้องเดินทางแบบคนในเมืองเปินแต่เช้ามืดออกเดินทางแล้วก็ไปนั่งติดกันในรถถ้ามีลูกก็ไปกินข้าวกันในรถนอนกันในรถเปินขึ้นในรถ ปลุกให้ตื่นปลุกให้กินข้าวแต่งตัวกันในรถสนะ่งไปโรงเรียนก็่าจะกลับถึงบ้านก็มืดค่ำเพราะรถลามันติดเนะี่ยชีวิตคนในเมืองกับคนในชนบทเนี่ยเครียดต่างกันนะคนในเมืองนี่เครียดมากเพราะคนในเมืองนี้มีความต้องการมากมากกว่าคนที่อยู่ตามชนบทเนะี่ย คนอยู่ตามชนบทชาวนาชาวไร่นี้เขาไม่มีอะไรมากแต่เขาก็อยู่ได้เขาไม่ต้องมาเครียดเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองคนในเมืองนี่มีของมากมีของใช้ไม่สอยมากมีบ้านมีคอนโดมีรถมีอะไรมากแต่ต้องผ่อนทั้งนั้นต้องเครียดกับการหาเงินมาผ่อนมีรายจ่ายเยอะแยะ มีลูกนี้ก็ต้องส่งเข้าโรงเรียนมีค่าโรงเรียนค่าใช้ใจ่ายต่างๆเลยถ้าอยู่ชนบทก็ส่งไปเรียนประชาบาลฟรีเดินไปขี่จักรยานไปไม่เคียดไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจถึงแม้ว่าไม่ร่าไม่รวยแต่ถ้าวัดระดับความเคิีย ความทุกข์ใจแล้วน้อยกว่าคนที่มีมากคนที่มีมากนี้ระดับความทุกข์ระดับความเครียดนี้มีมากดัเดี๋ยวนี้นอกจากระดับความเครียดแล้วยังมีระดับภัยทางร่างกายอยู่ในเมืองแออัดมีสิ่งแวดล้อมที่ เ, เสื่อมโทรมมีอากาศหายใจที่ไม่สะอาดเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกัน เนี่ยถ้าลองคิดด้วยปัญญาสัหน่อยลองเอาธรรมะมาคิดสัหน่อยเราจะได้เห็นว่ากำลังเป็นอย่างไรกันกำลังมีความสุขกันหรือกำลังมีความทุกข์กันแต่ของพวกนี้มันก็เป็นเหมือนยาเสพติดถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันเครียดมันทุกข์แต่จะให้กลับไปอยู่แบบชาวนาชาวไร่ก็อยู่ไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่องนิสัยะลองนิสัยมันเคยชินกับการอยู่การกินแบบไหนจะให้ไปเปลี่ยนไปอยู่แบบอีกแบบหนึ่งนี่มันยากเหมือนคนที่ติดยาเสพติดจะให้เลิกติดยาเสพติดนี่มันไม่ใช่เป็นของง่ายมันทําได้แต่มันยากแต่ถ้ามีความพยายามมันก็ทําได้ถ้ามีคนคอย ให้กำลังใจมีคนคอยเชียร์คอยสอนคอยบอกแต่ต้องสู้ถึงจะสามารถที่จะเอาชนะกิเลสต่างๆได้เอาธรรมะมาชนะกิเลสได้หลักของธรรมในการอยู่แบบสงบสุขก็คือมักน้อยสันโดษนะคำว่ามักน้อยก็คือ น้อยต้องการน้อยๆยต้องการเท่าที่จำเป็นอย่างพระนี่พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่มักน้อยแบบมีสมบัติเพียงแปดชิ้นนั่นนั้นเองที่เรียกว่าอัฐบริการอันนี้จะไม่มีใครมักน้อยเท่ากับพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าเป็นพระแทนนะถ้าพระไม่แทนไม่รู้นะพระไม่แท้นี่มีอะไรต่ออะไร มีรถโบราณมีอะไรอันนี้ไม่ถอือว่าเป็นพระแท้นะพระแท้ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีแค่อัตถบริขารอาจริงๆพระพุทธเจ้าไม่มีรถโบราณพระพุทธเจ้าไม่มีเครื่องบินส่วนตัวตไปไหนท่านเดินสมัยพุทธกาลถึงแม้เป็นลูกของกษัตริย์ถ้าอยากจะให้มีรถมาับก็มีเยอะแยะไป แต่ท่านทรงปฏิเสธท่านถือหลักมากน้อยสันโดษอยู่แบบติดดินจริงๆเท้าติดดินไม่เหมือนพวกที่ไม่ติดดินนั่งรถนั่งอะไรเท้าไม่เคยแตะดินเลยเวลาจะเดินก็มีมีเปลมีอะไรมาหาบมาหามแต่นี่พระพุทธเจ้าท่านทรง สอนอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านบอกเราสอนใครให้ทําอะไรอย่างไรเราทําอย่างนั้นสอนให้อยู่แบบมากน้อยสันโดษสอนให้พระมีอัฏฐบริขารพระพุทธเจ้าก็มีแค่อัฏฐบริขารมีบาทใบหนึ่งมีจีวรสามผืนหนึ่งสำหรับมีที่รัดเข็มขัดนมีเข็มกับได้ ไว้ซ่อมปะจีวานมีที่ไม่มีมีดโกนไว้ปองผมปองหนวดแล้วก็มีที่กลองน้ำที่ตักน้ำที่กลองน้ำไม่ให้มีตัวสัตว์เติดขึ้นมามีบาทอีกใบหนึ่งพระพุทธเจ้านี่บินทบาททุกวนันใช่ไหมถึงแม้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็ยังบินทบาทอยู่ เป็นกิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้ามีอยู่ห้าข้อด้วยกันอีกสี่ข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนศัตถาญาติโยมพระภิกษุสา ม, มเณรภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและเทวดาอินพรหมทั้งหลายพระพุทธเจ้ามีกิจวัตรประจําวันอยู่ห้ากิจกิจอย่างหนึ่งก็คือบิณฑบาต ไม่ได้ให้สั่งอาหารมาจากร้านอาหารเช้าก็ออกบิณฑบาตเหมือนพระทั่วไปพระที่บวชใหม่กับพระพุทธเจ้านี้ทำกิดเหมือนกันถ้าเป็นทางโลกถ้าได้เป็นนายกกับพวกที่ไม่ได้เป็นนายกนี่คงจะกินไม่เหมือนกันกินคนระดับระดับนายกต้องกินระดับหนึ่งระดับคนขับรถนายกนี่ก็ต้องกินอีกระดับหนึ่ง ไปกินที่เดียวกันไม่ได้ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้านี้กินระดับเดียวกับพระบวชใหม่เอพระบวชใหม่วันนี้ก็มีสิทธิ์กินข้าวกับพระพุทธเจ้าได้เลยแต่พวกที่มาทํางานเป็นลูกน้องของนายกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกินข้าวกับนายกได้ทางโลกเขาแบ่งกันแต่ทางธรรมนี้พระพุทธเจ้าท่านถือว่าเรื่องกินนี้เหมือนกันมีปากมีท้องเหมือนกัน อาหารก็อาหารเหมือนกันท่านถึงทำตัวอย่างให้กับพระให้อยู่แบบมากน้อยสันโดษให้มีเพียงสมบัติเพียงแปดชิ้นก็อยู่ได้ที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามมีตามเกิดไปอยู่ในปา่าเพราะพระปฏิบัติต้องการความสงบ ถ้าอยู่ในบ้านในเมืองมันมีแต่เรื่องวุ่นวายจะมาลบกวนใจในการทำใจให้สงบได้ต้องอาศัยที่สงบก็จะไปอยู่ในป่าอยู่ในป่านี้ก็สบายสร้างกระท่อมเล็กๆเนี่ยมีมาเยอะแยะมีใบม้งใบไม้เอามามงุงเอามาบางได้อยู่กับธรรมชาติ ไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องมีน้ำประปาขอให้มีำลำห้วยลำทานอยู่ใกล้เคียงพอที่จะไปตักน้ำอาบน้ำได้ไฟฟ้าก็สายแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็พอมืดแล้วก็นั่งหลับตาไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องเปิดไฟนั่งสมาธิก็หลับตาไม่ต้องใช้แสงไฟ นี่หละคือการกินอยู่แบบเรียบง่ายแต่มีความสุขยิ่งกว่ามาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกพราเป็นความสุขระดับบัลมบัลมะสุขนัตติสันติบาลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขระดับมาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ก็ซื้อความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบไม่ได้อันนี้พระพุทธเจ้ายืนยันนอนยันนั่งยันมาตลอดเวลาว่านี่คือความเป็นจริงผู้ใดที่เข้าถึงความสงบอันนี้แล้วจะรับปากจะรับรองเหมือนกันหมดพระอาหารตสาวกทุกลูปทุกองค์ไม่มีใครมามาแย่งพระพุทธเจ้าเลย ไม่มีใครมาแย้งว่านัตสันติพลังสุขขังนี้ไม่ใช่ยังมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีใครมาแย้งมีแต่มีคนรับรองสาธุมาเศรษฐีมาบวชยังลองสุขหนอสุขหนอสุขหนาะ น, นี่แหละ หมาเศรษฐีก็บวชนะในสมัยพุทธกาลพระเจ้าแผ่นดินเจ้าชายต่างๆก็บวชพวกนี้เขามีความสุขระดับสุดยอดกันทั้งนั้นทำไมเขาถึงต้องมาบวชกันเพราะเขาอยากจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขยอดที่สูงกว่าความสุขที่จะหาได้ในเพศของพูกของเรือนความสุขี้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จาก ของเพศผู้ของเหลือนก็คือความสุขของนักบวชนี่ต้องมาบวชเท่านั้นแต่งจะสามารถเข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้และการจะเข้าถึงความสุขสุดยอด น, นี้ก็ต้องอยู่แบบมากน้อยสันโดษคือจะไม่หาความสุขชนิดอื่นเลยแม้แต่เรื่องกินความสุขที่เกิดจากการกินก็จะไม่หา กินแบบยินตามมีตามเกิดตอนเช้าไปบินทบาตกินตามที่ได้มาใครใส่บาตรให้อะไรมาก็กินไม่ได้กินเพื่อความสุขกินเพื่อดับความหิวเท่านั้นเองกินเหมือนเหมือนยาชนิดหนึ่งร่างกายเวลาเจ็บปวดตรงนู้นตรงนี้ก็ต้องหายากินปวดท้องก็หายาแกา้ปวดท้องปวดหัวก็หายาแก้ปวดหัว ปวดแขนปวดขาก็มียาทาอันนี้ก็เหมือนกันความหิวก็เป็นความปวดทางร่างกายชนิดหนึ่งที่ต้องเยียวยาด้วยอาหารอาหารก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่ถูกปากถูกคอถูกใจขอให้มันหิวสักอย่างนึงอะไรกินได้หมดเ ช, ชื่อไหมไม่เชื่อลองอดข้าวดูสักสามวันดูเลยข้าวคุกน้ำปลาก็อร่อย เห็นข้าวคุกน้ำปลานี่น้ำลายไหลเลยแต่ถ้ากินทุกวันกินเวลาหลายหลายมือนี่บางทีอาหารอาหารถูกปากก็ยังกินไม่ลงก็มีเบื่อก็เพราะว่าร่างกายมันไม่ต้องการมันไม่หิวมันไปหิวที่ใจใจนี้ต่อให้กินให้ร่างกายกินจนอ้วนเป็นเป็นตุ่มขึ้นมามันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละ เพราะใจมันไม่ได้กินอาหารผู้ที่กินคือร่างกายใจเพียงแต่มาสัมผัสรับรู้ความรู้สึกที่เกิดจากการได้กินเท่านั้นเองซึ่งการสัมผัสรับรู้ความรู้สึกนี้ได้มาปั๊บมันก็หายไปหมดไปมันก็เลยอยากจะสัมผัสอยู่เรื่อยๆมันก็เลยต้องกินอย่างต่อเนื่องกินวันละสีห้ามื้อห้าหกมื้อกัน เพราะว่าใจมันอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกอริดอร่อยของอาหารแต่ร่างกายมันจะกลายเป็นตุ่มขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวร่างกายมันไม่ต้องการอาหารแบบนี้แต่กิเลสมันต้องการอาหารมันต้องการสัมผัสรับรู้กับความรู้สึกของการได้เสพสัมผัสรสชาติของอาหารความรู้สึกเวลาที่มันเข้าไปในท้องแล้วมันมีความรู้สึก อิ่มมันอยากจะสัมผัสตัวนั้นมากกว่ามันจึงทําให้มันจุ้จี้จุกจิกต้องเลือกกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะว่าถ้ามันกินอาหารจําเจมันจะเบื่อนั่นเองแต่ร่างกายนี้มันไม่เบื่อหรอกให้มันกินอะไรจําเจอย่างไรมันมันก็ไม่เบื่อเพียงแต่รอให้มันหิวก่อนเท่านั้นเองถ้ามันหิวแล้วอะไรมันกินได้หมดะ ของที่ไม่เคยชอบกินไม่อยากกินมันก็กินได้ไม่เชื่อลองไปอดข้าวในป่าสักสิบวันดูเลยเนื้อมนุษย์ก็ยังกินได้เลยถ้ามันหิวจริงๆถ้าเจอคนตายแทนจะวิ่งหนีมันวิ่งไปกัดแทกินเนื้อเลยเพราะความหิวมันจะทำให้มันกินได้แต่ร่างกายมันหิวจริงๆแล้วอะไรเป็นอาหารนี่มันไม่เลือก แต่ถ้าร่างกายมันอิ่มแล้วเนี่ยมันจะจู้จี้จุกจิกแล้วเพราะมันใจร่างกายมันไม่ต้องการอาหารแต่ใจมันต้องการอาหารกิเลสต้องการอาหารกิเลสมันก็ไม่ชอบกินของจำเจซ้ำซากต่อให้วิเศษขนาดไหนเป็นอาหารรสถูกปากขนาดไหนเราให้กินซ้ำซากอยู่สักสิบมื้อนี่มันก็ไม่เอา่วละมันก็อยากจะหากินอาหารแบบที่ไม่ได้กินมา เปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติเปลี่ยนอะไรไปอันนี้คือธรรมชาติของกิเลสเป็นอย่างนั้นมันจะไม่ชอบของจําเจมันไม่ชอบของเก่าใช่ไหมเนี่ยใจเราเนี่ยเปลี่ยนของกันอยู่เรื่อยๆพอใส่อะไร ซ, ซ้ำสร้างหน่อยก็เบื่อแล้วนอกจากถูกบังคับให้ใส่เท่านะั้นถึงจะใส่เช่นเครื่องแบบนี่ไปโรงเรียนนี่ ต้องใส่เครื่องแบบไม่ถึงแม้จะจาเจซ้ำซากมันก็ใส่ใส่ได้ถ้ามันถูกบังคับให้ใส่มันก็ใส่ได้แต่ถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามอัธยาสัยตามความต้องการของกิเลสแล้วมันไม่ยอมใส่หรอกมันอยากจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ อ, อยากจะลองของแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแม้แต่เผ้าผมหน้าตาก็อยากจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเห็นหมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตา เปลี่ยนการทาปากทาคิ้วทำเล็บเนี่ยมีเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรผมก็เปลี่ยนให้มันสั้นเปลี่ยนให้มันยาวเปลี่ยนให้มันหยิกเปลี่ยนให้มันไม่หยิกเปลี่ยนให้มันสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีส้มสีม่วงบ้างเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆนี่แหละนี่คือกิเลสถ้ามันได้ละจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีแต่เสียเงินเสียทอง แล้วดีไม่ดีก็เสียสุขภาพด้วยไปทำอะไรกับร่างกายมากๆเดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมากับร่างกายได้ใช้สารต่างๆโปะไปที่หน้าที่ผิวเดี๋ยวก็ไปเจอสารก่อมะเร็งเข้าขึ้นมาก็ยุ่งอีกอันนี้เป็นการทาอะไรตามใจกิเลสมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างปัญหาต่างๆ ให้อยู่กับใจอยู่เรื่อยๆถ้าอยู่แบบมากน้อยสันโดษได้นี่ปัญหาจะไม่ค่อยมีอาบน้ำอาบท้าเสร็จก็พอหวีผ้าวหวีผมให้มันเรียบร้อยหน่อยก็พอถ้าไม่มีผมได้ยิ่งดีเไม่ต้องหวีไม่ต้องอะไรเรียบร้อยตลอดเวลาคนที่ไม่มีผมนี่เรียบร้อยตลอดเวลา คนที่มีผมนี่บางทีก็เรียบร้อยบางทีก็ไม่เรียบร้อยพะวันไหนไม่ได้หวีผมหน่อยก็ดูไม่เรียบร้อยแล้วแต่คนที่ไม่มีผมนี่เรียบร้อยทุกวันเห็นทีไรก็เรียบร้อยเนี่ยคนชราเขาถึงไม่มีผมกันคนโง่ถึงมีผมคนที่อยากจะมีภาระอยากจะมีความวุ่นวายกับชีวิตของตนก็ต้องมีผม เพราะมีผมแล้วก็ต้องคอยสะคอยเซตคอยหวีคอยอะไรต่างๆเรื่องราวมากมายค่าใช้จ่ายมากมายโดยใช่เหตุคนที่ไม่มีผมนี่ตัดค่าใช้จ่ายตัดค่าเรื่องวุ่นวายใจต่างๆเกี่ยวกับผมได้หมดเลยคนจลาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าท่านถึงโกนหัวเห็นไหมทาไมพระพุทธเจ้าโกนหัว เพราะท่านเห็นว่าผมเนี่ยมันเป็นภาระมันเป็นปัญหาไม่มีมันดีกว่าโกนหัวแล้วสบายเห็นไมถึงมมนจะโกนหัวก็ยังมีคนเขาบรบลักเหมือนเดิมอยู่เขาไม่ได้ลักคนคนเราไม่ได้รักกันที่ที่ผมหรอกพอเราลักกันที่จิตใจมีน้ำใจหรือเปล่าผมสวยแต่ใจใจโหดนี่มันก็ไม่สวยละ นี่คือคนฉลาดกับคนโง่คิดไม่เหมือนกันคนโง่จะคิดไปที่รูปร่างลักษณะของร่างกายคนฉลาดคนฉลาดจะคิดไปถึงความสงบสุขของใจเป็นหลักอะไรที่ทำให้ใจสงบอันนั้นแ่ละเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่ทำให้ใจวุ่นวายอันนั้นแะเป็นสิ่งที่ผิด การอยู่มากน้อยสันโดษนี่เป็นวิธีที่จะทาให้อยู่อย่างสงบถ้าอยู่แบบมากมากจู้จีจ้จุกจิกนี่จะอยู่แบบวุ่นวายพวกที่มีมีเงินมากนี่วุ่นวายมากจะกินแต่ละทีนี่บางทีเรื่องมากหาที่กินหาอะไรบางคนเคยกินนะบางคนมีถึงระดับ ความเย็นของเครื่องดื่มที่กินต้องเย็นขนาดนี้ต้องร้อนขนาดนี้ถ้าเย็นน้อยกว่านี้หรือร้อนมากกว่านี้ก็กินไม่ได้ล่ะบางทีต้องจ้างคนรับใช้ที่ต้องคอยมาวัดอุณหภูมิของเครื่องดื่มเวลาจะเสิร์ฟเครื่องดื่มให้มาหาเศรษฐีนี่บางทีต้องเอาอุณหภูมิมาวัดก่อนเอาปลอดมาวัดก่อนว่าได้อุณหภูมิตามที่เศรษฐีสั่งหรือเปล่า อาหารต้องจับดูอุณภูมิดูว่าร้อนตามที่เขาต้องการหรือเปล่าเนี่ยนี่คือเรื่องของพอมีเงินมากแล้วกิเลสมันจะมากมันจะมากเรื่องมากเราแต่ถ้าไม่มีเงินเป็นขอทานนี่อุณภูมิเท่าไหร่กินได้หมดร้อนหรือไม่ร้อนเย็นหรือไม่เย็นมันหิวยะะอย่างหนึ่งแล้วของมันฟรีกินได้หมด ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องหาเงินมพวกที่มีเงินนี้มันถึงจู้จี้จุกจิกกันเห็นไหนเสื้อผ้านี้จะต้องแขนยาวขนาดนั้นแขนสั้นขนาดนี้รอบเอวต้องขนาดนั้นขนาดนี้กว้างไปหน่อยก็ไม่ได้แคบไปหน่อยก็ไม่ได้อ้วนวายกับไอ้เรื่องบ้าบอคอแตกเหล่านี้จิตใจจะไป ม, มีความสุขอะไรนี่แหละ คือความหลงมันพาให้คิดว่านี่คือความสุขถ้าทได้ทำอะไรตามความอยากทากิทาความต้องการของกิเลสแล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองพอเสร็จแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ว่างเปล่าเหมือนเดิมปล่อยให้รู้สึกว่าขาดอะไรอยู่เรื่อยๆต้องหาเรื่องอะไรมามามามาทำให้พอใจยอยู่เรื่อยๆ พอเรื่องนี้ผ่านไปแล้วก็หาอีกเรื่องหนึ่งมาพอพัเรื่องนี้ผ่านไปแล้วก็หาเรื่องเรื่องแต่งตัวเสร็จก็มาหาเรื่องกินเรื่องกินเสร็จก็มาหาเรื่องบันเทิงต้องหาบันเทิงชนิดที่ถูกใจอีกบันเทิงชนิดไหนดีเนีย้องนำทำเพลงดีเต้นรำเต้นกาดีหรือดูโมหะละศพดูอะไรต่างๆดีหรือฟังคอนเสิร์ตดี ฟังคอนเสิร์ตก็ต้องเลือกฟังองีกตอนนี้มีดาราคนไหนกำลังดังเนี่ยมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้นนะไม่ใช่มีความสุขนะเพราะมันจะคอยเลือกแฟนเลือกหาอยู่เรื่อยๆมันก็จะวุ่นวายกับการอจองที่จองตัว๋วจัดตารางอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดแล้วเดี๋ยวก็เกิดมีการขัด ระหว่างตารางที่จัดไว้ติดงานนั้นจะไปงานนี้จะทำยังไง เ, เรื่องมากชีวิตแต่เขาคิดว่านี่คือความสุขกันพวกที่มีเงินมากๆนีม่มีกำลังซื้อมากๆนี่จะวุ่นวายกับเรื่องการซื้ออะไรต่างๆมาตอบสนองกิเลสความอยากของตนโดยที่ไม่รู้ว่าความสุขที่ได้นี้เป็นความสุขแป๊บเดียว ได้มาปุ๊บทำเสร็จนั้นก็ผ่านไปอจากหลักนี้ก็ไปอีกหลักหนึ่งจากงานนี้ก็ไปอีกงานหนึ่งจากความสุขนี้ก็ไปอีกความสุขหนึง่งหยุดไม่ได้พอหยุดปั๊บไม่มีความสุขนี้เครียดขึ้นมาทันทีต้องมีความสุขตลอด24ชั่วโมงต้องมีอะไรให้ทําตลอดเวลาอืมพอไม่มีอะไรทําถ้าหนอยนี้รู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวขึ้นมาทันที น, นี่แหละคือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้มันจะปล่อยให้ผู้ที่หาความสุขนี้จะต้องเจอความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่เรื่อยๆเจอความเหงาเจอความว้าเหวอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดหรอกเขามาปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเขาไปเราก็ต้องหาใหม่ หาได้ใหม่ปั๊บเดี๋ยวเขก็ขไปอีกหาได้เท่าไหร่มันก็กลับมาที่จุดเดิมยจะมาที่ความอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวความรู้สึกขาดนู่นขาดนี่อยู่ในใจเสมอเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถตอบสนองความอยากความต้องการของกิเลสตัณหาได้ไม่มีอะไรที่จะทําให้กิเลสตัณหา this พบความอิ่มพบความพอได้มีแต่ทำเท่านั้นนะ่ะที่จะทําให้ สามารถเกิดความพอความอิ่มได้ด้วยการกำจัดตัวกิเลสนี่แหละตัวที่ทำให้เกิดความหิวความอยากอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ตัวไหนก็ตัวกิเลสนี่เองถ้าไปทำตามความอยากมันก็จะทำให้มีความอยากเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆความอยากอันนี้หมดไปก็จะมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาทำตามกี่ความอยากความอยากที่ทำไปหมดไปก็มีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมา อยากกินพอได้กินแล้วก็อยากดื่มอยากดื่มพอได้ดื่มแล้วก็อยากดูอยากฟังอยากทำอะไรตามไปเรื่อยๆทำมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มันก็ยังไม่หายอยากยังไม่เคยพบคำว่าอิ่มคำว่าพอสักทีแล้วยิ่งถ้ามีเงินมากก็ยิ่งพิสดารมากขึ้นไปเรื่อยๆอวุ่นวายมากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขจะมีแต่ความวุ่นวายเกี่ยวกับการหาสิ่งต่างๆมาบำุงบำเลอกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาหาให้มันมาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักคำว่าพอพอหาไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาถ้าหาไม่ได้นานๆก็อาจจะฆ่าตัวตายก็ได้คอยอยู่กับการมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำลงบำเลอพอไม่สามารถหา สิ่งต่างๆมาบำลุงบำเลอได้ก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคาญใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ทรมานใจเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเลยแล้วตอนนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือฆ่าตัวตายกันนี่แหละคือ เรื่องของการทำตามกิเลสทำตามความโลภทาตามความอยากถ้าปล่อยให้กิเลสมันเป็นผู้ชนะในหัวใจกิเลสมันจะมาสร้างเรื่องราววุ่นวายใจต่างๆให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ถ้าเราสามารถสร้างธรรมะขึ้นมาเพื่อเอาชนะกิเลสได้ถ้าสามารถมีธรรมะปราบกิเลสได้ใจจะอยู่อย่างสงบสุขอยู่อย่างสบาย โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยไม่ต้องมีอะไรเลยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอาหารหันตสาวกเป็นตัวอย่างท่านมีแค่ปัจจัยมีอัฐบริขารเท่านั้นเองมีสมบัติแปดชิ้นที่วสัยท่านก็อยู่กับตามมีตามเกิดถ้ามีชาวบ้านเมตตาสร้างกุฏิให้อยู่สร้างวัดให้อยู่ก็อยู่แต่ก็อยู่ไม่นานเพราะท่าน ต้องการที่จะไปเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ต้องการธรรมะเป็นที่พึ่งท่านก็ต้องสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ตัวร่างกายไม่ต้องไปก็ได้เพราะมีสื่อไปแทนเนี่ยตอนนี้ถ่ายทอดสดเนี่ยไปไกลกว่าพระพุทธเจ้าอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าไปได้ที่ละที่เท่านั้นเห็นไหม อยู่เมืองนี้ก็ต้องแสดงธรรมให้แก่คนที่อยู่เมืองนี้เท่านั้นเองแต่อยู่ที่นี่แสดงธรรมให้คนทั่วประเทศคนทั่วโลกได้ตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนก็แสดงธรรมฟังเทศฟังธรรมได้เลยไม่ต้องไปไหนล้านี้สบายอยู่กับที่แต่ก็ได้ไปแสดงธรรมแบบทั่วโลกมีคนติดตามตามต่างประเทศหลายสิบประเทศด้วยกันเคยทำสิทธิ์จิตไว้ครั้งหนึ่ง่า แล้วก็ในประเทศไทยนี้ก็เกือบทุกจังหวัดแล้วมีไม่กี่จังหวัดไมไม่ถึงสิบจังหวัดมที่ที่ยังไม่มีลายชื่ออยู่นี่สมัยนี้ก็เลยสะดวกไม่ต้องจารลกเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี่ท่านเมตตาท่านอยากจะให้คนที่ไม่รู้ได้มีโอกาสได้รู้จักธรรมท่านก็เลยต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆ อยู่เมืองนี้สักพักหนึ่งพันษาหนึ่งสามเดือนเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่อีกเมืองนึ่งย้ายไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับคนขายยาใช่ไหมทำไมก่อนเขามีหนังหนังขายยาก็เห็นไหมพวกเราคงไม่เห็นพวกเด็กๆทำไมเราเป็นเด็กๆเกนี่ยมีทำไมก่อนนงหนังไม่ค่อยมีตามตามชนน้ำบทอยากจะดูหนังนี้ต้องรอหนังขายยาเดี๋ยวมก็มีขายยาบริษัทนี้เอาหนังมาฉาย ฉายไปก็ขายายาไปฉายจบม้วนหนึ่งก็หยุดโฆษณาขายยาครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ฉายอีกม้วนหนึ่งสมัยก่อนชาวชนบทนี่จะได้ดูหนังก็อาศัยพวกขายายาเนี่ขายายาก็มีหลายบริษัทนขายแข่งกันบริษัทนี้มาขายายาป๊อเดี๋ยวอีกบริษัทนึงก็มานั่นอันนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนพวกบริษัทขายายาเนี่ย จะขายธรรมะมาขายธรรมะที่เมืองนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ย้ายไปขายธรรมะอีกเมืองหนึ่งท่านเลยไม่อยู่ติดที่ท่านเลยไม่จําเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อาศัยที่ถาวรขอให้มีที่ไหนหลบแดดหลบฝนได้มีที่ปักกดได้พอมีอาหารกินได้ท่านก็พอละท่านก็ทําอย่างนี้ไปนี่คือ การอยู่แบบมักน้อยสันโดษเนี่ยคนที่มีความมาักน้อยสันโดษแล้วอยู่แบบไม่ต้องมีสมบัติอะไรมากเพราะว่ามีความสุขที่ได้จากความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ได้จากการมีสมบัติเข้าของอะไรต่างๆมากมายเนี้สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ ถ้าใจสงบแล้วจะไม่มีความอยากจะได้อะไรมาให้ความสุข เ, เลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะให้ความสุขดีเท่ากับความสงบนี้เองเลยไม่ต้องมีอะไรมากมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองมีปัจจัยสี่ที่จำเป็นอาหารก็อาศัยบินทบาตตามมีตามเกิดที่อยู่อาศัยก็อยู่กันตามมีตามเกิด อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามที่ไหนที่สงบไม่วุ่นวายไม่มีอะไรมารบกวนยารักษาโรค ก, ก็ตามมีตามเกิดสมุนไพรอะไรชนิดต่างๆก็กินไปพอรู้ว่ายายอย่างไรก็ไม่มียาไหนที่จะมาห้ามความตายได้เมื่อถึงเวลามันตายก็ไม่มีอะไรมาห้ามมันได้ ก็รักษาไปถ้ารักษาได้ก็แสดงว่ายังอยู่ได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ถือว่าถึงเวลาที่มันจะต้องตายท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่ได้อาศัยร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกแล้วการที่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือถ้ามีธรรมะ เมื่อปราบกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แนละ้วใจก็จะมีความสุขตลอดเวลาจะอยู่แบบไหนก็สุขอยู่แบบมีก็สุขอยู่แบบไม่มีก็สุขอยู่ในกุติก็สุขอยู่ข้างนอกกุติก็สุขอยู่ตามคนม้อยู่ตามเรือนร่างก็สุขความสุขนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่สภาพความเป็นไปของร่างกาย ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็สุขเหมือนเดิมร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็สุขเหมือนเดิมร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็สุขเหมือนเดิมท่านถึงบอกเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติปลังสุขขังอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากการที่เราสร้างธรรมะขึ้นมาเพื่อกำจัดความโลภความอยากกิเลสตัณหาต่างๆ ให้มันหมดสิ้นไปจากใจเพราะกิเลสตัณหามันสร้างแต่ความหิวสร้างแต่ความไม่พอได้เท่าไหร่จะไม่มีรู้จักคําว่าพอได้คืบก็อยากจะได้สอบได้สอบ ก, ก็อยากจะได้วา ا. เป็นพลตารวจก็อยากจะเป็นนายสิบตํารวจเป็นนายสิบตํารวจก็อยากจะเป็นจ่าตํารวจเป็นจ่าตํารวจก็อยากจะเป็นนายร้อยตํารวจเป็นนายร้อยตํารวจก็อยากจะเป็นนายพันตํารวจ เป็นเท่าไหร่มันไม่พอแหละเป็นนายพลตำรวจก็ยังไม่พอเป็นอธิบดีตำรวจก็ยังไม่พ อ, อมันอยากไป่เรื่อยความอยาก อ, อันนี้แหละถ้ามีความอยากแล้วถ้ามันไม่พอแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายอะไรมีมากมีน้อยมันก็เหมือนกันความอยากของตำรวจในสิบกับความอยากของนายพลตำรวจก็เหมือนกันหิวเหมือนกันอยากเหมือนกันต่างกันตรงที่เป้าเท่านั้นเอง เป้าของนายพลนี้ต้องเยอะหน่อยเป้าของนายสิบน้อยหน่อยง่ายหน่อยนายสิบขอให้ได้เป็นจ่า ก, ก็ดีใจนะนายพลนี้ต้องเป็นพอเอถี่ยะดีใจแต่มันก็เหมือนกันความรู้สึกในใจเหมือนกันแล้วก็สุขเดี๋ยวเดียวดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็มีเป้าใหม่ให้อยากขึ้นมาอีกแล้วนี่แหละเราจึงต้องเอาธรรมะมากำจัดความโลภความอยากเหล่า น, นี้ให้ได้ ถ้าเราอยากจะพบกับสันติสุขได้พบกับความสุขที่สงบที่อิ่มที่พอต้องสร้างธรรมะขึ้นมาต้องสร้างทานต้องสร้างศีลต้องสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีธรรมะเหล่านี้แล้วเราจะสามารถกาจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจที่สร้างที่คอยสร้างความหิวสร้างความไม่พออยู่ตลอดเวลานี้ให้หมดไปจากจิตจากใจพอความหิวความไม่พอมันหมดไปจากใจความอิ่มความพอมันก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีเหมือนกับความมืดกับความสว่างมันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้เวลามันมืดมันก็ไม่สว่างถ้าเราอยากให้สว่างเวลาอยู่ในห้องมืดเราต้องทาอะไรเราต้องเปิดไฟ พอ เ, เปิดไฟขึ้นมาปั๊บความมืดก็หายไปหมดความสว่างก็เข้ามาแทนที่ถ้าเราต้องการความมืดเราก็ปิดไฟพอปิดไฟความสว่างหายไปความมืดก็เข้ามาแทนที่สองอย่างนี้มันอยู่คู่กันไม่ได้ทำกับกิเลสก็เหมือนกันผลของทำกับกิเลสก็เหมือนกันมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันหิวก็แสดงว่ามันยังไม่อิ่มมันยังไม่พอก็แสดงว่ายังมีกิเลสอยู่ ถ้ามันอิ่มมันพอมันก็จะไม่หิวไม่อยากก็แสดงว่าไม่มีกิเลสแล้วทากับกิเลสมันจึงจะไม่อยู่ด้วยกันมันจะต้องต่อสู้กันเอาแพ้เอาชนะกันแล้วในที่สุดธรรมจะต้องชนะกิเลสเสมอเพราะว่าถ้ายังไม่ชนะก็ต้องทำต่อไปให้จนกว่าจะชนะได้ดูพระพุทธเจ้ากว่าจะชนะกิเลสได้นี้ต้องใช้เวลากี่กับกี่กัน แต่ท่านไม่ยอมหยุดเนะี่ยในที่สุดธรรมะก็ต้องชนะอธรรมเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเร็วเท่านั้นเองพวกเราโชคดีเราสามารถเอาธรรมะมาชนะกิเลสได้ง่ายได้เร็วกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกวิธีต้องค้นคว้าหาเอาเองจึงต้องใช้เวลามากแต่พวกเรานี้โชคดีมีครูมีโค้ชมีพระพุทธเจ้ามาสอน ง่ายมากสอนเพียงแต่ให้ทาทานให้รักษาศีลให้ภาวนานท่านันเองก็าสามารถกําจัดกิเลสได้ให้หมดขึ้นไปจากใจได้เลยชนะกิเลสได้ภายในภพนี้ชาตินี้ภายในเวลาไม่ยาวด้วยซ้ำท่านรับประกันไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องสามารถกําจัดกิเลสได้อย่างแน่นอนแต่ต้องอต้องเอาชนะมันให้ได้ถ้ายังชนะมันไม่ได้ก็ต้องสู้ก็ต่อไป ถ้าไม่สู้ปล่อยให้มันชนะก็จะให้มันสร้างแต่ความหิวความไม่พออยู่เรื่อยๆถ้าต้องการความอิ่มความพอก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาให้ชนะกิเลสได้แล้วในที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดทางที่เหมาะกับจิตใจที่สุดก็คือความสงบความอิ่มความพอไม่ใช่ความหิวความอยาก ความหิวความอยากจะมีแต่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้ไม่อย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นคนฉลาดจึงต้องเพียรพยายามสร้างธรรมะขึ้นมาเพื่อกาจัดความหิวความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจ น, นี่คือเรื่องของการต่อสู้ระวังธรรมกับกิเลสถ้าธรรมชนะใจก็สงบเย็นสบายถ้ากิเลสชนะ ใจก็วุ่นวายใจก็ทุกข์ใจก็หิวโหวยอยู่ตลอดเวลาเหตนั้นเราต้องการอะไรก็สามารถเลือกเอาได้ถ้าต้องการความหิวโหวยก็ทำตามกิเลสต่อไปถ้าต้องการความอิ่มความสบายก็ต้องทำตามธรรมสร้างธรรมขึ้นมาให้ชนะกิเลสได้พอทำชนะกิเลสแล้วทำใจก็จะสงบจะสบายไปตลอด นี่เกิดเรื่องของกิเลสและธรรมที่เป็นคู่ต่อสู้กันที่ได้เอานำมาฝากท่านในวันนี้ก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ต่อไปนี้จะอนุโมทนาให้พรยะท้าวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง <c oughs>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 จันโทปนาราโสยทามณิโชติอราโสยทาสัพพิติโยวิวัชจันโุสัพพโรโวิณัสตุ มาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาศิริสานิจังวุฒาปัจายโนจตารโหธรมาวทานติอายุวันโอสุขังพลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยเก้าสิบเจ็ดสองร้อยสิบสองวิทยุออนไลน์ยี่สิบสองผู้รับฟังข้างบนนี้สี่สิบหกคนรวมทั้งหมดหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับโอเคก็ไม่ขาดไม่เกินกำลังดีหกร้อยกว่าถ้าต่ำกว่าหกร้อยก็ถือว่าหนีเรียนนะนี่จำนวนนักเรียนที่มาเรียนธรรมะทุกวันเนี่ย วันละประมาณห0 0กว่าคนมาทาง Facebook, YouTube มาทางวิทยุออนไลน์แล้วก็มาที่ศาลานี้วันหนึ่งก็ตกประมาณห0 0โดยประมาณบวกลบนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยต่ำกว่า6ก0อยอยู่ช่วงห0 0นานๆก็ขึ้นเกินเจขึ้นถึงเจ0ดรอบ้างนานๆสักครั้งหนึ่ง นานๆก็ลงต่ำกว่าหกร้อยลงห้าร้อยกว่าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงที่จะให้ถามคำถามได้ใครอยากจะคาถามอะไรช่วยยกมือขึ้น เ, นเพราะจะต้องส่งไมโครโฟนไปเพราะว่าต้องใช้ไมโครโฟนถึงจะได้ยินทั่วถึงกันมีใครอยากจะถามไหมถ้ายัางไม่มีก็จะ ให้คำถามทางบ้านที่ส่งเข้ามาเชิญตามสบายนั่งได้ตามสบายมีชาวต่างชาติได้ยอยากจะถามก็ถามได้ทางบ้านก่อนก็แล้วกันครับคำถามจากคุณจินคอปการทำศิลกรรมความงามให้สวยในชาตินี้ ทำมาหาเงินก็มีรายได้มาทําบุญต่อได้สวยชาติหน้าด้วยหากนําเงินไปทําบุญสวยชาติหน้าอย่างเดียวใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลอย่างไรจึงถูกต้องครับก็ความสวยของชาตินี้มันเป็นความสวยชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เหิวอยู่ดีอย่าไปเสียเวลาเอามาเอาความสวยทางจิตใจดีกว่า ความสวยจิตใจนี้เป็นความสวยที่จีรังถาวรและจะส่งผลให้ต่อความสวยความงามทางร่างกายในพบต่อๆไปคำถามต่อไปจากคุณจิตณภาผู้หญิงสามารถจับหรือทำความสะอาดองค์พระพุทธรูปได้ไหมเจ้าคะได้ พระพุทธโลกท่านไม่มีความรู้สึกหรอกท่านไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายประจับท่านห่ะแต่อย่าไปจับภาพเป็นเขแล้วกันเพียงแต่ว่าสังคมเราไม่ค่อยนิยมให้ผู้หญิงไปเกี่ยวข้องกับของที่เป็นพระของที่เกี่ยวข้องกับพระแม้แต่บาจีวรของพระนี่เขาไม่อยากให้ผู้หญิงไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาต้องการแยกผู้หญิงออกจากพระ เพราะว่าผู้หญิงกับพระนี่มันเป็นยาพิษมันจะฆ่าพระได้เข้าใจไหมแต่ไปไใกล้พระแล้วเดี๋ยวพระจะถูกถูกผู้หญิงกัดเนี่ยข็เสือในป่ามันไม่ได้เท่ากับเสือในบ้าน ดังนี้เขาผูหญิงพยายามแยกไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระไม่ให้ก็ไปวัดตามน้ำพังไปทําภารกิจอะไรในวัดเนี่ยส่วนใหญ่เวลาจะใช้ญาติโยมนี้จะเป็นผู้ชายให้ผู้ชายเป็นเด็กลูกศิษย์วัดมาทํากิจต่างๆให้กับวัดทําความสะอาดสาราทําอะไรพระพุทธรูปอะไรต่างๆเหล่านี้จะให้เป็นเรื่องของผู้ชาย ไม่ให้ผู้หญิงก็มายุ่งเกี่ยวผู้หญิงมีหน้าที่อย่างเดียวเข้าโรงครัวเท่านั้นเองไปทํากับคุ่งกับข้าวเตรียมอาหารใส่บาตรเตรียมอาหารถวายพระนี่อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงในาศาสนาพุทธเขาแยกไว้อย่างนั้นแต่ไม่ให้ผู้หญิงมาซักจีวรให้กับพระมาเช็ดตัวมาอาบน้ําให้กับพระอะไรไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นอันตราย เพราะมันจะทําให้เกิดกิเลสตัณหาในใจของพระได้จะทําให้พระศึกได้ใช่ไหมพระญี่ปุ่นบวชมาตั้งสี่สิบปียังศึกได้เลยพอมีสีกามาอุปธรรมโมปถากมาดูแลมารับใช้ใกล้ชิดหน่อยมันก็เกิดไฟลุกขึ้นมาในใจทําให้ใจร้อนจน ก, กระทั่งผ้าร้อนผมผ้าเหลืองไม่ได้เพราะมันร้อนต้องเปลี่ยนผ้าเป็นเป็นกางเกงเป็นเสื้อแทน เนี่ยท่านถึงไม่ให้สุภาพสตีมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของของพระไม่ให้เข้ามาในวัดทำงานในวัดสมัยก่อนแต่สมัยนี้แล้วมีวัดบางทีก็ต้องจ้างคนงานมาทำงานเพราะยุคนี้เปลี่ยนไปพระกลายเป็นพระขุนนางทำงานเองไม่ได้พระในบ้านในเมืองกวาดถูวัดไม่ได้ต้องให้จ้างคนมาเพราะมีเงินบริจาคเยอะ ก็เลยเอาเงินบริจาคมาจ้างคนมารับใช้ทำงานในวัดแต่ถ้าเป็นพระสมัยโบราณนี่ท่านจะทำงานเองในวัดปัดกวาดถูสาราทำอะไรต่างๆพระจะรู้ช่วยช่วยร่วมกันทากันสมัยโบราณสมัยก่อนหรือพระพระตามชนบทนี่เขาจะไม่เป็นขุนนางไม่มีการแต่งตั้งให้เป็นเจ้ า, เ จ, าเจ้านุ่นเจ้านี้แต่ พออยู่ในเมืองแล้วเริ่มมีการแต่งตั้งให้เป็นเจ้านุ่นเจ้านี่ขึ้นมาก็เลยลืมตัวหลงตัวเองไปว่าเป็นชงเป็นเจ้าแตะไม่กวาดไม่ได้จับไม่กวาดไม่ได้หรือแม้แต่บิณทบาตก็ไม่บินทบาตกันอันนี้เพราะว่าถูกโลกมาครอบงำวัดก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้สีกาเขามาครอบงำเดี๋ยวก็วุ่นวายเดี๋ยวก็คนก็จะเสื่อมศรัทธา ถ้าคนเห็นผู้หญิงมาทำอะไรในวัดมากๆเขาก็จะเริ่มสงสัยว่ามีอะไรกันหรือเปล่าถึงต้องแยกออกจากกันไม่ใช่ด้วยความรังเกียจนะแต่ด้วยความจำเป็นคำถามต่อไปจากคุณนุ่มนวลเวลาที่เราทำบุญถวายโต๊ะหรือเก้าอี้ของชิ้นใหญ่ๆจำเป็นไหมคะที่ต้องเขียนชื่อติด บางทีเห็นคนครอบครัวหนึ่งก็หลายชื่อดูแล้วไม่ค่อยสวยไม่จะเป็นหรอกแต่อยู่ที่ความต้องการของคนถวายคนถวายกลัวว่าจะไม่มีใครรู้ว่าตอนเองได้ทำบุญก็เลยอยากจะโฆษณาติดชื่อตัวเองท่านั้นเองอันนี้เป็นเพียงแต่การโฆษณาแต่ไม่มีความจําเป็นจะต้องติดคนที่ต้องการทำบุญโดยที่ไม่ติดชื่อก็ไ ด, ได้ได้บุญเหมือนกัน อาจจะได้บุญมากกว่าคนที่ทําบุญแล้วติดชื่อซะอีกเพราะคนทําบุญติดชื่อยังมีกิเลสแถมมาด้วยยังมีอัตตาตัวตนแถมมายังมีความอยากให้คนนั้นคนนี้รู้ว่าเราได้ทําบุญอันนี้ก็มีกิเลสแถมมาแต่คนทําบุญแบบไม่ติดชื่อผู้เบ่ประสงค์ออกนามนี่ะเป็นผู้ที่ทําบุญแบบตัดกิเลสออกไปคําถามต่อไปจากคุณชูชู อะไรคือตัวพุทธะอะไรคือตัวธรรมะและอะไรคือตัวสังฆะพุทธะก็คือผู้รู้ธรรมนั่นเองธรรมะก็คือสิ่งที่ผู้ผู้รู้ธรรมผู้ผู้รู้คือพุทธะรู้แล้วพอท่านเอาความรู้นี้มาสอนคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้พอได้ยินได้ฟังก็จะรู้ธรรมะก็เป็นพราะอาริยเป็นสังฆะขึ้นมา พุทธะเป็นผู้รู้ธรม ร, ธรมะด้วยตนเองพอรู้ธรรมะด้วยตนเองก็ธรรมะมาสอนผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่สามารถรู้ธรรมะได้ด้วยตนเองก็มีโอกาสได้รู้เพราะมีผู้รู้ธรรมะคือพระพุทธคือพุทธะพอพุทธะมาสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราพอพวกเรารู้ธรรมะพวกเราก็กลายเป็นสังฆะขึ้นมาเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมา พระริยสงไม่ได้มาจากใครมาจากพวกเรานี่แหละพวกเรากำลังกาลังสร้างสังฆะขึ้นมาในใจด้วยการมาศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติทำให้ธรรมะนั้นปรากฏขึ้นมาในใจพอมีธรรมะขึ้นมาในใจแล้วผู้ที่มีธรรมะในใจก็เป็นสังฆะขึ้นมาจะเรียกตนเองว่าเป็นพุท ธ, ธะไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้พบธรรมะด้วยตนเอง พบธรรมะด้วยคำสอนของพุทธะอีกทีหนึง่งถึงเป็นสังขะคำถามต่อไปจากคุณวิการรักษาศีลแปดข้อที่แปดเว้นจากการนอนที่นอนสูงใหญ่บางครั้งสับสนเจ้าคะ่ะใน Google บางทีบอกว่านั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ข้อแปดเฉพาะที่นอนอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าคะ่ะเพราะบางทีนั่งบนโซฟา ขอพระอาจารย์เมตตาด้วยเจ้าค่ะทั้งสองอย่างอ่ะทั้งที่นั่งทั้งที่นอนในข้อแปดนี้อุจจารยนะมหาสายนะสายนะก็คือที่นอนอาสนะก็คือที่นั่งอุจจารยนะมหาสายนะก็ทั้งที่นั่งที่นอนที่หลู่นาที่ใหญ่ที่นิ่มที่สุขที่สบายนะพูดง่ายๆเนี่ยที่น่วมที่ญาติโยมชอบมีกันตามบ้านเนี่ยนั่งให้มันสบาย นอนนี้มันสบายแต่มันสบายแบบกิเลสเท่านั้นเองมันสบายแบบติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันสบายทางร่างกายต้องการที่จะไปทางความสบายทางจิตใจต้องต้องเปลี่ยนก็ต้องเลิกต้องเลิกหาความสบายทางร่างกายเพราะความสบายทางร่างกายมันเป็นชั่วข้าว เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนอนที่ไหนมันก็ไม่สบายนอนเตียงใหญ่ขนาดไหนผูกหนาขนาดไหนมันก็จะไม่สบายแต่ถ้าเรามีความสบายใจแล้วเวลาร่างกายไม่สบายจะไม่เดือดร้อนให้มาหาความสบายทางจิตใจด้วยการสละความสบายทางร่างกายไปศีลแปนี้มีให้เราสละความสบายทางร่างกายเพื่อเราจะได้มาสร้างความสบายทางจิตใจกัน พอเรามีความสบายทางจิตใจแล้วต่อไปเวลาเราไม่สามารถมีความสบายทางร่างกายได้เราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บนี่เราจะไม่เดือดร้อนผู้ที่มีความสบายทางจิตใจคาถามต่อไปจากคุณกําพลเราควรจะเริ่มปฏิบัติศึกษาธรรมะอย่างไรให้ได้มีสมาธิเพื่อฆ่ากิเลสครับ ก็ต้องเริ่มต้นจากกไก่ขอไข่เนี่ยก็ต้องไปเริ่มศึกษาที่ประวัติพระพุทธเจ้าไปเริ่มศึกษาก็ทาคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเลยถ้าเดี๋ยวนี้เขามีการเอารวบรวมมาสอนเราเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกเนี่ย คนที่มาบวชในพระพุทธศาสนาทุกคนนี้พอบวชปั๊บเขาจะให้เรียนนักธรรมตรีก่อนนักธรรมตรีนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับคำสอนที่สำคัญต่างๆของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระวินัยของพระสงค์เจ้าเขาจะให้เรียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบ่งเป็นนักสุรนักธรรมตรีโทเอกก็คือจะมีแบบแบบง่ายขึ้นไปสู่แบบยาก แบบที่กว้างไปสู่ระบาบที่มันลึกเข้าไปมีสามระดับมีนักธรรมตีโทเอกด้วยกันต้องเรียนสามระดับด้วยกันสำหรับผู้ที่บวชก็จะให้สอนนี้ผู้ที่ไม่บวชก็สามารถไปซื้อหนังสือหลักสูตรของนักธรรมตีโทเอกได้ตามวัดต่างๆถามพระก็ดูวัดมีที่ไหนขายก็ไปซื้อมาอ่านเองก็ได้ไม่ต้องบวชก็ได้ไม่ห้าม ยอมก็ศึกษานักธรรมตีโทเอกได้หรือไม่เช่นั้นก็ถ้าไม่ไม่ได้ศึกษาแบบเป็นขั้นเป็นตอนอยากจะศึกษาแบบอะไรก็ได้ก็เจอหนังสือธรรมะเล่มไหนก็หยิบขึ้นมาอ่านก็ได้ชอบอ่านประวัติก็อ่านประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆก็ได้แต่มันจะเป็นแบบไม่เป็นเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับปไปศึกษา ตามหลักธรรมที่เขาจัดไว้นักธรรมตีโทเอกจะได้หลักแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเล่ม อ, อื่นต่อไปคาถามต่อไปจากคุณเริ่มต้นใหม่เวลาที่ตาเราไปเห็นรูปงามๆแล้วจิตมันไปติดที่รูปนั้นครับเราควรตัดที่ตรงไหนดีครับถึงไม่ติดก็ดตัดได้หลายที่ ตับที่ตาก็อย่าไปมองมัน <c oughs> อย่างพระพานนถามว่าพร ะ, พระสงฆ์ควรจะปฏิบัติกับสุภาพสติอย่างไรพระพระุทธเจ้าบอกก็อย่าไปมองเลย <c oughs> อย่าไปดูอย่าไปดูภาพที่สวยๆงามๆให้ไปดูภาพที่ไม่สวยไม่งามของสุภาพสติคือไปดูซากศพของสุภาพสติแทนถ้าดูซากศพของสุภาพสติแล้วมันก็จะ มันจะก็จะมาลบล้างภาพสวยสวยงามของสุภาพจิตได้มันก็มีถ้าเบื้องต้นก็พยายามอย่าไปมองภาพสวยสวยงา ม, งามเห็นแล้วก็ต้องหันหน้าไปทางอื่นเสียหรือถ้านึกถึงภาพที่ไม่สวยงามของสุภาพจิตได้ก็นึกมันขึ้นมามันจะได้มาลบล้างภาพที่สวยสวยงามได้เพราะมันก็เป็นคนเดียวกันนะี่แหละคนเดียวนี้มีทั้งภาพที่สวยกับภาพที่ไม่สวยในร่างกายของคนเรานี่ ส่วนข้างนอกก็ดูสวยถ้ามองเข้าไปข้างในแล้วมันก็เห็นส่วนที่ไม่สวยมองเข้าไปเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นวิธีแก้การมองเห็นภาพสวยๆงามๆต้องมองมุมกลับมองพลิกออกเข้ามามองเข้าไปข้างในพลิกข้างในออกมาข้างนอก คำถามต่อไปจากคุณกนกวันปัจจัยใส่ซองทําบุญจําเป็นต้องเขียนชื่อติดไหมเจ้าคะถ้าไม่เขียนชื่อจะได้บุญเท่ากันไหมเจ้าคะ่ะได้เท่ากันเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณปอ <c oughs> เก็บเศษขาดต่างๆข้างถนนแล้วใส่ถุงเก็บไว้ให้คนเก็บขยะหรือใครก็ได้เอาไปขายถือว่าเป็นทานไหมครับเป็นเป็นเหมือนกัน เขาก็ได้ประโยชน์แตนที่เราจะเอาเงินให้เขาเราก็เอาของที่เขาเอาไปขายแลกเป็นเงินได้มันก็เหมือนกับให้เงินเขาคำถามต่อไปจากคุณมโน <c oughs> การดูเลิกแต่งงานจาเป็นไหมคะหรือเอาตามสะดวกไม่จาเป็นละดูคนดีกว่าอย่าไปดูเลิก <c oughs> ไปดูเลิกแต่ได้คนไม่ดีมาเดี๋ยวก็ต้องหย่าอยู่ดี <c oughs> ดูคนว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไปตลอดหรือเปล่า วิธีดูคนต้องดูใจอย่าไปดูหน้าตาเข้าใจไหมวิธีจะดูใจดูใจคนนี่ถ้าให้มีให้มีเครื่องวัดอยู่สี่ข้อด้วยกันว่าคนนี้มีหนึ่งมีจาคะหรือเปล่ามีการเสียสละหรือเปล่าเป็นคนเสียสละหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวอ่าจาคะมีศีลหรือมีสัจจะหรือเปล่าเป็นคนซื่อตรงหรือเป็นคนโกหกหลอกลวงข้อที่สามเป็นคนที่อดทนอดอดทนหรือเปล่า พอเจอความทุกข์ยากลำบากหน่อยก็จะโวยวายขึ้นมาหรือเปล่าข้อที่สี่เป็นคนที่อดกั้นหรือเปล่าเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาระบายออกมาหรือเปล่านี่คือวิธีวัดดูคนว่าสวยว่าสวยไม่สวยสวยทางใจถ้ามีคุณธรรมสีข้อนี้แต่งได้เลยตอน แต่งตอนไหนก็ได้ตอนตีสองตีหนึ่งตอนเช้ามดืดเวลาไหนแต่งได้หมดรับรองได้ว่าแต่งแล้วดีแน่แน่ม า, า, าดูผิดที่มันถึงหยา ก, กันอยู่เรนะื่อยแต่งกันไม่กี่เดือนมันก็อยา ก, กันแล้ว ไปดูผิดที่มันไม่ดูที่มันถูกะดูถูกต้องดูที่ละไม่ใช่ที่ร่างกายสิโดยซ้ําไปให้ดูที่จิตใจดูที่คุณธรรมสีข้อนี้ดูว่ามีจาคะการเสียสละหรือเปล่ามีสัจจะความซื่อสัตย์หรือเปล่ามีขันติความอดทนหรือเปล่ามีธรรมะความอดกลั้นหรือเปล่านถ้ามีสีข้อนี้รีบจองไว้เลยรับรองได้ว่าจะอยู่กันไปจนถึงวันสิ้นสุดของชีวิตจะรักกันไปจนวันตาย คำถามต่อไปจากคุณวิการที่เรารักษาศีลแปดที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเราต้องดูแลคนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งไม่มีการเปิดทีวีไม่มีการทําอาหารเย็นเป็นสิ่งที่เราต้องการมากเราจะปฏิบัติรักษาศีลแปดในที่แบบนี้ต่อได้ไหมเจ้าคะเพราะไม่มีโอกาสได้ไปวัดแต่เราได้สํารวมกายวาจาใจเพื่อปฏิบัติ แต่เราก็ทำงานดูแลผู้สูงวัยอยู่เจ้าค่ะก็เราทำไปเท่าที่เราต้องทำได้เราจำเป็นต้องอยู่ที่ไหนเราก็พยายามทำเท่าที่เราจะทำได้คือสถานที่ที่จะทำให้เราปฏิบัติรักษาศีลได้ง่ายหรือยากมันก็มีบางที่ก็ยากถ้าไปรักษาศีลแปแถวพัทยาใต้ น, นี่มันก็รักษายากแต่ถ้าไปอีกสถานที่หนึ่งนี่มันก็ง่าย แต่ถ้าเรามีจิตที่เข้มแข็งจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็รักษาได้มันอยู่ที่ใจเรามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่เพียงอย่างเดียวแต่สถานที่นี้มีส่วนที่จะส่งเสริมหรือทำให้มันง่ายหรือยากได้เห็นไหมถ้าเราไม่สามารถเลือกสถานที่ได้เราก็ต้องพยายามมามาควบคุมใจเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คำถามต่อไปจากคุณจาปัจจุบันโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือแพทย์แต่วัดสร้างใหญ่โตแม้กระทั่งอาหารก็มีมากแต่บางคนยังอดอยากกันอยู่เลยครับอยากทราบว่าเราทำบุญแบบบริจาคและตักบาตรกันถูกวิธีหรือเปล่าครับอันนี้เป็นเรื่องของศรัทธามันถูกดังนั้นอะ่ะแล้วแต่คนซื้อสินค้าไง การทำบุญนี่ก็เป็นเหมือนกับการไปซื้อบุญบุญก็มีหลายชนิดด้วยกันซื้อสินค้าก็มีหลายชนิดด้วยกันมันขึ้นอยู่กับคนซื้อไปไปบังคับเขาไม่ได้คนก็จะซื้อสินค้าชนิดนี้แล้วไปบอกว่าสินค้าชนิดนี้มันมันขายดีเกินไปแล้วไปซื้อสินค้าชนิดนี้ช่วยสินค้าชนิดนี้หน่อยสินค้าชนิดนี้ขายไม่ดี เข า, เาบอกว่าถ้ามันขายไม่ดีมันก็คงไม่ดีมันก็ถึงไม่ไปซื้อกันใช่ไหมออันนี้ก็เหมือนกันคนที่เขาทาบุญก็คิดว่าทําบุญกับวัดนี้ได้บุญมากกว่าที่ไปทําบุญกับโรงพยาบาลหรือทํากับผู้ด้อยอเขาก็ไม่ค่อยไปทํากับผู้คนเหล่านั้นอถึงถ้าพูดตามความจริงแล้วมันก็มีส่วนจริงและไม่จริงเพราะเวลาทําบุญนี้มันมีผลได้สองสองสองขั้นด้วยกันสองอย่างด้วยกัน การทำบุญขั้นที่หนึ่งผลที่เราได้คือความอิ่มใจหรือบุญที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจเราให้ไปเกิดในภพที่ดีนี้ไม่ว่าเราทำกับใครเราจะได้เหมือนกันทำกับโรงพยาบาลทำกับวัดใส่บาทหรืออะไรนี้ถ้าปริมาณของการทำบุญของเราเท่ากันเราก็จะได้บุญที่จะเป็นตัวส่งให้เราไปสู่สุคติเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเหมือนกันบุญนี้เท่ากัน แต่บุญอีกอีกตัวหนึ่งที่เราจะได้จากคนที่เราไปทําบุญด้วยนี่ไม่เหมือนกันนะถ้าเราไปทําบุญกับวัดทําบุญกับพระนี่เราจะได้ธรรมะกลับมาถ้าเราไปทําบุญกับโรงพยาบาลเราจะได้ยากลับมาหรือได้ความรู้ทางรักษาร่างกายกลับมาถ้าเราไปทํากับคนขอทานอาจจะไม่ได้แล้วกลับมามีแต่ได้มีแต่ให้อย่างเดียวอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าเราทําบุญเพื่อที่เราต้องการอะไร ถ้าเราต้องการเพียงแต่บุญที่จะส่งให้เราไปสวรรค์เราทำกับไข่ก็ได้แต่ถ้าเราต้องการมากกว่านั้นต้องการสิ่งที่เราจะได้จากคนที่เราไปทำบุญด้วยเราก็ต้องเลือกหาคนที่จะให้สิ่งที่เราต้องการถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปหาคนที่มีธรรมะคนที่มีธรรมะสูงสวยก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็พระสาวกทั้งหลายรองลงมาก็ anthrop. พระธรรมดาพระผูผ้ทรงศีลแต่ยังไม่ได้บรรลุธรรม ท่านก็สามารถที่จะให้ธรรมะในระดับต่างๆแก่ผู้ที่ไปทาบุญด้วยได้นี่คือทำไมคนถึงทาบุญตามอัธยาศัยของเขาเรื่องของการทาบุญนีก็เหมือนกับเรื่องของการซื้อข้าวซื้อของของแต่ละคนไม่มีใครไปบงังคับใครได้ทำไมคนหนึ่งชอบซื้อรถยี่ห้อนี้ทำไมไม่ไปซื้ออีกรถยี่ห้อหนึ่ง เ็าเพราะเขาชอบรถอย่างนี้เขาได้ความสุขจากสิ่งที่เขาซื้อมาเขาก็ทำบุญแบบนั้นเขาทำบุญใส่บาทเขาได้ความสุขกว่าทำบุญกับขอทานเขาก็ทำบุญใสบ่า บ, สาบาทมากกว่าใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะไปสั่งคนว่าต่อไปนี้ให้ทำบุญกับขอทานนะอย่าไปทาบุญกับพระนะเพราะพระมีมากเกินไปแล้วคุณไปสั่งดูสิสั่งได้หรือเปล่าแม้แต่พระเองก็สั่งไม่ได้ พระเลยต้องมาทําแทนเวลาพระได้ของมากๆพระไม่เก็บไว้หรอกพระไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมพระก็เอาไปให้คนยากจนต่อไปไปช่วยสงเคราะห์คนยากจนคนเดือดร้อนต่อไปงั้นเขาถึงสบายใจว่าทํากับพระแล้วมันก็ไปถึงคนยากจนต่อไปเพราะว่ามันมีมากเกินไปพระก็ไม่เก็บเอาไว้แต่ถ้าไปทํากับคนยากจนอาจจะไม่ไปไหนนะคนยากจนมันจะโลภนะมันจะหวงนะมันได้เท่าไหร่มันจะเก็บไว้หมดมันจะไม่ไปแจกใครเนะี่ย นี่คือความแตกต่างทำไมคนก็ถึงเลอกทมกับวัดกับพระเพราะวัดกับพระเสียสละไม่เก็บไม่สะสมแต่ถ้าเป็นคาราวาดญาติโยมแล้วไม่ยอมเสียสละชอบสะสมคำถามต่อไปจากคุณเบนจวรรณ โยมปฏิบัติมาจนรู้สึกว่าการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเราเปลี่ยนทําตามระลึกตามคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้โยมเลยไม่วิ่งตามครูบาอาจารย์คอยภาวนาอยู่กับบ้านแต่หาโอกาสไปวัดปีละครั้งแบบนี้โยมจะรอดใหม่เจ้าคะถ้าเราวิ่งตามคําสอนก็รอดเนี่ยไม่ต้องวิ่งตามตัวอาจารย์คอยตามทําตามคําสอนน ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่กับท่านก็ได้นไม่ต้องเข้าวัดก็ได้พระพุทธเจ้าเคยพูดอยู่ว่า mm. คนที่มาเกาะชายผ้าเหลืองเราแต่ไม่ศึกษาธรรมะหรือไม่ปฏิบัติตามที่เราสอน mm. ก็เหมือนไม่ได้เหมือนคนที่อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชน์ mm. แต่คนที่อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชนแต่ถ้าปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของเราก็เป็นเหมือนคนที่เกาะชายผ้าเหลืองเราเพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่การกระทําของเรา ถ้าเราอยู่กับผ้าอยู่กับเจ้าแต่เรายังกินไผ่เรายังกินเหล้าเมายาเล่นผ้ายอยู่นี่ก็อย่าไปอยู่ใกล้เลยเสียเวลาเปล่าๆแต่คนที่ไม่ได้เข้าวัดเลยแต่กับไม่ได้กินเหล้าเมายาปฏิบัติตัวเป็นคนดีฝึกจิตทําใจให้สงบอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ถึงวัดแล้วเข้าถึงวัดแล้วไม่ต้องไปด้วยด้วยตัวน่างกายไม่ใช่เป็นตัววัดว่าเราเข้าถึงวัดหรือไม่อยู่ที่จิตใจของเรา คำถามต่อไปจากคุณชันชัยการนั่งภาวนาพุทโธอย่างเดียวแต่ไม่ได้สวดมนต์บทยาวๆมีอันิสงส์ต่างกันไหมครับคือมันมีมีเขเรียกว่ามีหน้าที่ต่างกันไงบางคนนี้พุทโธไม่ได้ใจ ย, ยังฟุ้งอยู่ต้องสวดอะไรถึงจะทําให้ความฟุ้งนั้นหายไปก่อนก็ต้องสวดมนต์ยาวๆไปก่อนเพื่อระงับความฟุ้งซ่านต่างๆ พอความฟุ้งซ่านระงับไปแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวได้ก็ค่อยทําไปเหมือนกับการขับรถเนี่ยเวลาจะขับรถเวลาออกรถนี่จะไปสายเกียร์เกียร์สูงก็ไปไม่ได้ไปเข้าเกียร์สี่มันก็น็อกเวลาจะออกรถนี่ต้องเข้าเกียร์หนึ่งก่อนมันถึงจะมีแรงที่จะขับเคลื่อนไปได้จิตของเราก็เหมือนกัน จิตของเราเวลาจะทำให้มันสงบถ้ามันยังฟุ้งอยู่นี่จะไปใช้พุทธโธมันมันมันหยุดความฟุ้งไม่ได้แลยต้องให้มันสวดมนต์ยาวๆไปสวดไปจนกทั้งความฟุ้งต่างๆมันหายไปจึงสามารถมาบริกรรมพุทธโธต่อได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นเครื่องมือ เหมือนเกียร์รถที่เราจะต้องรู้จักเปลี่ยนเกียร์รถเวลาโยมขับรถขึ้นมาบนเขานี้ถ้าใส่เกียร์ที่แบบวิ่งอยู่ที่กับพื้นราบนี่มันขึ้นมาไม่ไม่ไหวต้องเปลี่ยนเกียร์กันทุกคนเคยขับเกียร์สี่พะมาขึ้นเขานี้ต้องเข้าเกียร์สามเกียร์สองนะถึงจะขึ้นมาถึงบนเขาได้จิตของเราก็เหมือนกันจิตของเรามันมีรอบความเร็วต่างกันเวลามันหมุนติ้วติ้วนี่จะไปใช้เออ จะไปใช้เกียร์ชนิดที่ไม่เหมาะกับมันไม่ได้ต้องใช้เกียร์ที่เหมาะกับมันหมดแล้วเลยเออมีใครอยากจะถามไหมมีใครถามอะไรไหม เ, เดี๋ยวเอาเอาไมโครโฟนไปหน่อยอพูดผ่านไมโครโฟนพูดใกล้ๆกลปากนะเสียงจะได้ดังขอนุญาท่านอาจารย์ครับ เออมาสักครู่ขึ้นมาที่บนเขาอาจารย์บรรยายนทำไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วพอนั่งสมาธิแล้วฟังธรรมของท่านอาจารย์ไปเรื่อยๆจิตก็ไปตามกระแสธรรมได้อยู่ไปจนกระทั่งนานซึ่งเข้าใจว่าใช้เวลานา น, านพอสมควรแต่ระหว่างตอนเช้าที่ปฏิบัติที่บ้านนะครับท่านเขาก็พยายามทําทุกเช้าแต่ว่าพอทําได้สักครู่หนึ่งก็จะมีเหมือนกับ สิ่งสิ่งเตือนว่าพอแล้วละพอแล้วละอยู่เรื่อยๆนะแต่ท่านอาจารย์อันนี้จะมีอุบายทําอย่างไรถึงให้จิตนมีความเข้มแข็งมากขึ้นก็ต้องฝืนมันแอย่าไปเชื่อมันมันบอกพอแล้วแล้วก็ต้องบอกไม่พออสวนสวนขคำช่วนทางมันแล้วก็ต้องคึ่ดสู้ต่อไปอย่าเพิ่งหยุดต้องบังคับต้องเปลี่ยนเกียร์เหมือนกันเข้าเกียร์สามมันพอถึงถึงระดับหนึ่งมันหมดแรง มันบอกไปไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วเหยียบคันเร่งแลเราก็ต้องพุโทโธให้มันต่อไปบังคับให้มันพุโทโธต่อไปออต้องเพิ่มสติขึ้นมาต้องเพิ่มถ้าถึงเวลามันอยากจะลุกเราไม่อยากจะเรารู้ว่าเราอยากจะนั่งต่อเราก็ต้องใช้พุโทโธบริกรรมพุโทโธขึ้นมาหรือสวดมนต์ใหม่ก็ได้คเพื่อสร้างกําลังของสติขึ้นมาใหม่เพราะตอนนั้นสติมันหมดกําลัง หรือมดรถเหมือนรถขึ้นเขาหมดแรงต้องเปลี่ยนเกียร์หรือต้องเหยียบคันเร่งให้มันมากขึ้นมันถึงจะสามารถมีกำลังที่จะวิ่งต่อไปได้อย่าหยุดนะครับท่านอาจารย์อย่าหยุดอย่าไปเชื่อมันมันบอกพอแล้วพอแล้วแต่บอกว่ายังยังไม่ได้ผลยังไม่สงบพอต้องนั่งต่อไปต้องบังคับมันการบกท่านอาจารย์ครับอาแม้วนันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอ้า มีคำถามอีกคนหนึ่งชาวสิงคโปร์คนนี้แต่พูดไทยได้เคยบวชเพราวะว่านะคือเห็นรู้ไม่ายใจมันก็อยู่แล้วก็เบาๆแล้วก็แรงแล้วก็ แข็งแรงแล้วก็เบาแล้วก็อ่อนอย่างนี้นไม่เป็นไรดูตามดูดูเฉยเฉยไม่ต้องไปทําอะไรให้รู้เฉยเฉยเร า, าดูลมนี้ไม่ไม่ใช่เพื่อไปควบคุมบังคับลมเราดูลมเพื่อควบคุมใจของเราไม่ให้ทําอะไรให้รู้เฉยเฉย ให้รู้ว่าลมหยาบยมละเอียดลมสั้นลมยาวลมเข้าลมออกให้รู้เท่านั้นไม่ต้องไปทำอะไรกับลมเราใช้ลมเป็นตัวคอยมาควบคุมใจเราให้นั่งเฉยเฉยไม่ให้คิดไม่ให้ทำอะไรค่ะอาจาร์คำถามหนึง่งพอพอลมละเอียดจนทั้งจับลมไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ ท ำ, ทำความรู้สึกตัวคือทาความรู้ตามอยู่นิ่งๆไปเรื่อย ใ, ใอยู่ความสงบนะครับไม่ต้องไปทำให้ลมอยากขึ้นไม่ต้องไม่ทำอะไรให้รู้เฉยๆตอนนี้ก็จะรู้ว่าคิดหรือไม่คิด <c oughs> ถ้าคิดก็หยุดมันถ้าคิดว่าทำไมลมหายก็หยุดความคิดนั้นไปไม่อยากให้มันคิดอะไรถ้าไม่มีอะไรดูมันก็จะเห็นความคิดต่อแล <c oughs> เราก็จะดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้ามันคิดก็หยุดมัน ถ้ามันไม่คิดก็ให้มันรู้เฉยๆไปเดี๋ยวมันจะรวมเข้าสู่ความสงบเองแต่อย่าไปทําอะไรกับลมอย่าไปควานหาลมอย่าไปหายใจลึกๆแรงๆให้มให้ลมกลับมาไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะตายไม่ตายลมมันละเอียดเราจับมันไม่ได้ทั้นงนี้ยังมีเก็่ามีครับอะมีก็ต่อยอีกหน่อย คำถามจากคุณศีราหากมีผู้นำสิ่งของหรืออาหารมากมายมาให้ผู้ใหญ่ที่บ้านเราผู้น้อยพิจารณาว่าเหลือกินเหลือใช้และได้นำไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นจะถือว่าบาปหรือผิดศีลธรรมไหมเจ้าคะอันนี้ถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนสั่งเราจะไปเจ้าขี่เจ้าการแทนผู้ใหญ่ไม่ได้เราต้องถามผู้ใหญ่ก่อนว่าจะให้ทาอะไรกับอาหารชนิดนี้ หรือถ้าเราอยากจะทาเอาไปทำบุญเราก็ต้องขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนถ้าเป็นของผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นของเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรไปกับมันได้แต่ถ้าเป็นของคนอื่นเราไปถือวิสาสะทาเองไม่ได้คำถามต่อไปครับทำอย่างไรถึงจะระงับความโกรธได้เร็วครับวิธีเร็วที่สุดก็คือพุโทโธพุโทโธไปพอโกรธปั๊บก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ักพักห้านาทีสิบนาทีมันก็หายโกรธคําถามจากคุณกรณอยู่กับความทุกข์เพื่อเรียนรู้ธรรมะได้อย่างไรครับอถ้าเวลาเกิดทุกข์เราก็ต้องค้นหาดูว่าอะไรทําให้เราทุกข์ถ้าพูดถ้าเราเคยศึกษาหลักธรรมเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรา อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ ก, ก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะหายทุกข์ก็ให้หยุดความอยากนั้นมันก็จะหายทุกข์เราก็จะได้รู้ธรรมะขึ้นมาว่าอ๋อนี่เองความทุกข์ทำให้ความอยากทำให้เราทุกข์พอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์มันก็หายไปคำถามจากคุณทริชาบาปที่เคยได้ทาในอดีต แล้วเรามีวิธีไหนพอที่จะทำให้บาปนั้นเจือจางลงได้ไหมเจ้าคะอ๋อไม่ได้เราเพียงแต่ว่าเราอาจจะทำให้มันส่งผลช้าก่ได้ถ้าเราทำบุญให้มากกว่าบาปถ้าเราสร้างบุญมากกว่าบาปบุญจะบุญจะมีกำลังส่งผลก่อนบาปอย่างนี้ใช่เวลาตอนที่เราตายถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปบุญจะเป็นผู้ที่ดึงเราไปสวรรค์ก่อน จนกว่าบุญของเราน้อยกว่าบาปเมื่อไหร่บาปถึงยั ด, ดึงเราไปอบายได้หมดแล้วใช่ไหมโอเคก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาใปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด